ตั้งแต่วันที่28ดนลูกหลานนคณะสัยาญาติโยมจะมีท่านสวดไหว้พระเสร็จแล้วก็สวดมาติกาบางสกุลทุกวันตั้งแต่วันที่ย8สดวันนี้ก็เป็นวันที่สาสบเอดวันนี้วันที่ส1แล้วนก็คงจะสวดไปถึงวันที่สมกราห้าเจ็ดนลูกหลานนใครอยากจะมาฟังเทศครูบาอาจาร นิมนต์มาจากทางไกลมาเทศทุกคืนตั้งแต่เมื่อวันที่28ดมาจนถึงวันที่สี่นิมนต์พระเถระมาจากจังหวัดสุรินทร์แต่วันงานจริงๆวันที่ห้าตอนบ่ายก็จะนิมนต์ท่านเจ้าคณะภาควัดบึงพลานชัยที่พวกเราเคยได้ยินใฟังธรรมะของท่านเป็นองค์แสดงธรรมวันที่ห้าตอนบ่าย แต่จากนี้ไปตอนกลางคืนก็จะมีการสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วก็จะมีการฟังธรรมเทศนาหนึ่งกันทุกวันเพราะนั้นคณะสัตาายาญาติโยมลูกหลานช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ก็ขอให้พวกลูกหลานมาร่วมฟังสวดด้วยหน้าลูกหลานน้เพื่อแสดงความเคารพสักการะในองค์หลวงปู่เราเอาฟังนตเนนีนะ วันนี้เป็นวันที่31มธันวาคมพุทธศักราช2องพันเป็นวันสิ้นปีนะคณะสทรา ญ, ญาตโยมลูกหลานแล้วก็พร้อมกันเป็นวันพระแรม14บ่ําเดือนหนึ่งเป็นวันสิ้นปีเป็นวันสิ้นเดือนเป็นวันเดือนดับเดือนหนึ่งดับวันนี้เป็นวันพระใหญ่ คณะทายาทโจผู้ที่รักษาศีลวันพระขยะลืมนะวันนี้เป็นวันพระนะให้สมาทานศีนเอาก็แล้วกันเพราะว่าศีนในเจตนาวิรัตเจตนาเจตนาหางพิกเวกัมมังวัดามิคือเจตนาเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกเราจะรักษาศีนก็ตั้งวิรัตเจตนาข้าพรเจ้าจะรักษาศีนุโบสถวันนี้เพราะเป็นวันพระใหญ่ เราก็รักษาศีลก็เป็นศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่จําเป็นจะต้องรับกับพระหรอกบางครั้งมีครูบาอาจารย์ก็มีภารกิจธุรกิจอย่างนี้หลยยายุ่งเหยิงวุ่นวายเราจะมารับศีลก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเราก็ควรจะรับเป็นส่วนตัวถ้ามีโอกาสแล้วก็สะมาทานศีลกับครูบาอาจารย์นั้นก็เป็นสิริมงคลอย่างหนึง่งได้ทั้งสองอย่างนั่นแหนะคณนะทนะายาทโยมลูกหลานแล้วก็วันนี้เป็นวันสิ้นปีหลวงพ่อจะขอ ท้ า, าความให้คณะราษฎรญาติโยมลูกหลานทุกคนปี 2,556 ที่ผ่านมาให้พวกเรามองมองหลังดูสิมองย้อนหลังดูข้าพเจ้าได้คิดไม่ดีมีไหมทำไม่ดีมีไหมพูดไม่ดีมีไหมอันนี้ให้เราคิดดูย้อนหลังว่าคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีย้อนหลังมีไหม ปีต่อไปปี 2,527 ข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเป็นผลออกมาทําให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกในปี 2,557 ปี 2,556 เป็นบทเรียนสำหรับพวกเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่นดไม่ดูย้อนหลังไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักควรไม่ควร อย่างนั้นแปลว่าปันคืนเดือนปีผ่านไปมันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนถึงเราผมหอกผมขาวจนจะเข้าหีบเข้าโลงจนงลยจึงจะรู้ว่าโอ้ข้าจะตายแล้วฮะเพราะเราไม่ได้คิดสํำรวมกายวาจาใจของตนในทางพระพุทธศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้พวกเราสํำรวมให้ระวังให้ตรวจตรา ให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ในความคิดว่าข้าพเจ้าที่ผ่านมาได้คิดได้ทำได้พูดอะไรไปบ้างที่ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ดีทีนี่ปีที่แล้วปีห้าิบหเนี่ยเราก็ได้คิดได้พูดได้ทำสิ่งที่ดีอันนั้นควรจะถือเอาเป็นตัวอย่างว่าข้าพเจ้าเลยคิด ได้ทําได้พูดในสิ่งที่ดีนี่แหละอันนี้ก็เป็นคุณงามความดีของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นปี2556ที่ผ่านมานีให้พวกเรานึกย้อนหลังแล้วก็พร้อมการลูกหลานมาจากที่ทํางานมาเยี่ยมพ่อแม่แตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็อยากจะบอกกล่าวย้ำเตือนลูกหลาน พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาจนใหญ่ถึงขนาดนี้พวกเราก็ได้ไปทําการทำงานอยู่ในทางิ่ไกลเมื่อจะกลับบ้านพวกเราลูกหลานทุกคนก็ควรจะสำนึกว่าข้าพเจ้าหรือตัวของฉันกิดของผมเองกลับไปบ้านคราวนี้ควรจะเอาอะไรไปฝากพ่อแม่บ้างเพราะพ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาจนถึงใหญ่ขนาดนี้ ถ้าว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเราเราจะใหญ่ขนาดนี้ไหมเนี่ยแหละเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วควรจะเลี้ยงท่านตอบตอบคื อ, อยังไงเลี้ยงพ่อแม่ตอบทำยังไงเหมือนกับเราเลี้ยงลูกของเราเน่แหละพ่อแม่เลี้ยงเราจากนั้นเราควรจะเลี้ยงท่านยังไงเรากลับมาบ้านเราก็ควรจะดู ว่าพ่อแม่ของเราเท่าแก่ชรามากน้อยแค่ไหนควรอย่างหนาวอย่างนี้เราก็ควรจะซื้อเสื้อหนาวมาให้ถ้าเรามีฐานะพอที่จะซื้อได้หรือขนมนมเนยหรือหยูกยามาให้พ่อแม่ของเราอันนี้คือบุตรที่ดีเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุตรทิดาผู้มีบุตรทิดาที่ดีนะผู้มีปัญญามากก็ลําลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ได้มากถ้าหากว่าลูกคนใดโง่เง่าเต่าตุนก็ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่ได้เพราะไรเพราะโงนะ่เพราะฉนั้นพวกเราอยู่ในสถานะไหนพวกเราควรจะลําลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปถึงท่านจะตายไปพูดง่ายๆแต่ท่านก็ยังฝากไว้ว่าในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเป็นของใครเป็นของพ่อแม่เพราะนั้นขอให้พวกเรามาถึงวันนี้แหละมาได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาได้มาทำบุญในวัดแห่งนี้พวกเราทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าออได้ตักบาทใส่บาทรได้ทําบุญขอบุญกุศลนี้เป็นเพื่อเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพรางพ่อแม่ของข้าพเจ้าตกทกแตก่ตายากอยู่ณนะสถานที่ขิดทินใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าผู้เป็นลูกออที่ท่านได้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าขอทดแทนมุมบุญคุนด้วยเถิดนะอันนี้ก็คือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแต่ถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ เราก็จะต้องออหาข้าวน้ำโภชนะอาหารอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นอย่างมันหนาวอย่างนี้เราก็ควรจะใช้หาเพื่อกันหนาวเผาผมกันหนาวมาให้พ่อแม่ของเราแต่มาถึงบ้านแล้วเราก็ควรจะถามไทยว่าพ่อแม่ของเราเป็นไงสุขกายสบายใจอย่างไงผู้ที่น้องหนุ่งทางหลายดูแลพ่อแม่เป็นยังไงสุขภาพพ่อแม่ ของเราเป็นยังไงควรจะพาไปหาหมอโชดควรจะเช็คหมอไหมแล้วก็พร้อมประชุมกันว่าเออพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเรามีลูกสามสี่คนเอามาปรึกษากันดีไหมเราจะให้เงินเดือนพ่อแม่คนละเท่าไรใครมีฐานะดีคนละให้คนร้อยสองร้อยคนละห้าสิบบาทคนละสิบบาทก็ยังดีอันนี้ก็คือการล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่นะแต่ถ้ามาแล้ว กินเหล้าเมามาตั้งแต่นุ่นตั้งแต่สำนักงานเพระกินเลี้ยงทางนู้นนะขึ้นมาแล้วก็เมามาแล้วแปดแปดแผลแปลดแปพูดกันไม่รู้เรื่องพอมาถึงบ้านแล้วก็ยังเมา อ, อีกพูดกันไม่รู้เรื่องถ้าพูดออกมานุ่นทําไงแม่พ่อวันไหนจะแบ่งมรดกแบ่งไรแบ่งนาให้ลูกหล่ะ เ, เก็บไว้ทําไมถ้าพูดก็พูดไปลักษณะนั้นเพราะคนขี้เมาใช่ไหมจากนั้นเสร็จแล้วก็นัเนี่ะ พอกลับไปก็มาและแปแปดกลับไปถึงกรุงเทพเอถ้าจะไปเมาอยู่ในสํานักงานกลัวเขาจะไล่ออกเออหายสางเมาถ้าลูกอย่างนั้นแปลว่าลูกยังไงอลูกไม่ดีสรุปแล้วเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้พวกเราได้สํานึกสำเนีจอแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายผู้เป็นบุตรธิดาเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะ เรื่องคนคนชั่วนี่นะคนชั่วนี่เลี้ยงไม่ขึ้นดูแลไม่ขึ้นมีในครั้งพระพุทธเจ้าสมัยเด่งพระพุทธเจ้าของเรานี่นะท่านพูดเป็นเป็นชาดกเป็นนิทานนะพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวันหนึ่งอนาถาเมติเข้ามากราบพระพุทธเจ้าตอนบ่ายแต่ตามปกติอนาถาเมติกกาเสตถีเนี่ย เป็นโยมอุปถัมปถากวัดป่าเชตวันเป็นผู้สร้างวัดป่าเชตวันท่านจะเข้ามาถวายอาหารอย่างพวกเราถวายอาหารอย่างเช้าวันนี้แหละถวายอาหารพระสงฆ์หรือว่าอาหารที่วัดหรือที่บ้านของท่านเลี้ยงพระที่บ้านของท่านเป็นประจําพระที่เดินทางไปแต่วันนั้นอนาถามดิคาเศรษฐีมาตอนบ่ายพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านก็รู้อะไรแหละถ้าพระพุทธเจ้าไม่รู้ใครจะรู้ถ้ า, ถาท่านมีญาณรัศนะ ท่านก็ถามว่าเออย وم, อมทําไมวันนี้จึงมาตอนบ่ายอาณาถามบดีโกโบว่ า, วาโอ้ข้าพระองค์ไม่สบายใจพระเจ้าขา่าเพราะว่าออข้าพระองค์ทําเกินไปหรือเปล่าเพราะวันนี้ได้ออตะเพิดหรือว่าเอาคือานะคาคล้ายคนโบราณเขาใส่ไม้ไผ่เลยใส่คอแล้วก็ลากคอออกไปคนที่ไม่ฟังคำใครก็ว่าคนที่มีโทษนะ่ยเขาเรื่อ ทุกวันนี้ก็ใส่โซ่ใส่ตรวนนั่นแหละใส่กล่องแขนมือ ล, ลักษณะอย่างนั้นแต่คนโบราณไม่มีเหล็กใช่ไหมเขาก็หาไม้ไผ่มาก็ตอกก็ลกใส่คอแล้วก็ลากออกไปนั่นก็ผมทาเกินไปหรือเปล่าคือเรื่องของเรื่องก็คือข้าพระ อ, องค์เนี่ยมีพี่น้องด้วยกันจากนั้นพ่อของข้าพระ อ, องค์ก็ได้แบ่งสมบัติให้กับพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนในเมื่อได้รับสมบัติแล้ว ข้าพระองค์ก็เป็นธรรมาค้าขายก็มีเป็นฐานะร่ำรวยขึ้นมาในกรุงสาวัตถีแต่พี่ชายของข้าพระองค์ก็ได้รับมรดกเท่ากันเขาก็ทำมาค้าขายก็พ อ, อเป็นไปได้แต่พอต่อมาลูกของเขานะ่ลูกของพี่ชายนะออพอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ดำเนินแนวของของพ่อของตน ไม่ทำมาค้าขายผลในทั่วคนอ่ะเอาสมบัติของพ่อเนี่ยมากินเหล้าเมายาสุรานาลีพาชีกิฬาบัตรอาวาัยามุกทุกอย่างไปว่าอยู่กับเขาทั้งหมดผลีนสุดมรดกของพ่อเขาก็หมดไปพอมรดกของพ่อของเขาหมดไปทีนี้เขาก็มาขอมาขอเงินไปใช้นทีแรกข้าพระองค์ก็คิดว่าเขามาขอ ทำไมเขาคงจะมีการขาดเหลือที่จะเอาไปทำมาค้าขายข้าพระ อ, องค์ก็ให้เขาไปพ่อต่อมาขอถีเข้าทีเข้าพ่อสืบสอบดูแล้วเขาเป็นผู้ล้มละลายเป็นผู้ไม่มีจุดยืนเสมบัติหมดแล้วต่อมาข้าพระ อ, องค์ก็บอกว่าอย่าเข้ามาอีกนะเออมรดกพ่อแม่แบ่งให้แล้วไม่ทำไมไปทำมาค้าขายเอา้าเอาไปก้อนนี้ให้ไปทำมาค้าขายนะ อย่าเข้ามาอีกนะเขาก็ยังขืนเข้ามาอีกครั้งที่สองครั้งที่สามข้าพระองค์ก็บอกว่าข้าวลากคอออกไปก็เลยตีไม้กรกคอลากคอออกไปออกจากบ้านยามาอีกนะอย่าให้เห็นอีกนะเออจากนั้นเขาก็าออกไปเมื่อข้าพระองค์ทาไปแล้วข้าพระองค์ก็ไม่สบายใจจึงได้มากราบทูลพระพุทธเจ้านี่แหละพระเจ้าขาดพระพุทธองค์บอกว่าอนาถามิิกะเศรษฐีไอ้วิญญาณที่มันชั่วนี่นะ เราเคยเลี้ยงมาแล้วคนเนี้ยฟิญญานี้ดวงเนี้ยอาณาถามมดีก็ถามว่าสมัยไหน พ, พระเจ้าค่าพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีเป็นเศรษฐีใหญ่ที่ร่ำรวยเรามีลูกชายอยู่คนเดียวแต่ว่าลูกชายของเราเนี่ยแหละต่อมาเราก็ตั้งโรงทานคำว่าเศรษฐีคำนี้นะคือคนดีนะ ในคนมีน้ำใจไม่ใช่คนรวยในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคนที่เป็นเศรษฐีคําว่าเศรษฐีเนี่ยคือคนมีน้ําใจคนมีเมตตาคนสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นเรียกว่าเศรษฐีถ้าคนรวยธรรมดาเนี่ยในคนมีเงินมากเฉยๆเขาไม่ว่าเศรษฐีหรอกบางทีอาจจะไปโคตไปโกงไปป้นไปจี้ไปเบียดไปบางคนอื่นมา ก, ก็ได้แต่คนดีเนี่ยเขา น, นเราเป็นเศรษฐี เราตั้งโรงทานไว้ในสี่มุมเมืองคือประตูเข้าเมืองสี่สีสด้านแล้วก็เราให้เลี้ยงอาหารแล้วก็อยู่ในกลางเมืองอีกที่นึ่งแล้วก็มาอยู่ในประตูบ้านของเราอีกที่นึงโรงทานเหมือนกับเราโรงทานที่เราตั้งอยู่เนี่ยหน้าวัดของเราที่เลี้ยงแขกเลี้ยงคนมาในทิศทั้งสีอย่างนี้นะเศรษฐีก็เลี้ยงคนทั้งหกแห่ง จ่ายเงินวันล 6, ะหกแสนกหาปณะนะเราก็จ่ายจากนั้นมาเราก็ทําบุญทําทานทําบุญทําทานผลในสุดเราก็ตายตายจากเะ่นนั้นเราก็ขึ้นไปสู่บนสวรรค์เป็นพระอินทร์ชั้นดาววัดึงครับเออเป็นพระอินทร์อยู่ชั้นดาววัดึงเออจากนั้นกน็ลูกชายของเราก็มาเป็นเศรษฐีแทนพอเป็นเศรษฐีแทนก็เออตั้งตนตั้งหลัก เค้แค่ว่าจิตใจไม่มั่นคงเห็นหมูเห็นเพื่อนเข้ามาแล้วก็ใจอ่อนนะพูดง่ายๆพอในสุดก็เลี้ยงหมูเลี้ยงพื่พอนผลในสุดก็เลยทะเลทะลาเข้าไปทํานองที่ว่าสุรานารีภาชีกีลาบัตย่างทีว่าอบายจะมุกทุกอย่างผลในสุดเศรษฐีตัวนี้ก็ล้มละลายล้มละลายหมดเงินเลยหมดเงินจนเป็นคนขอถาดเป็นคนขอถาดห้ากินเศรษฐี พระ อ, อินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงมองลงมามาเห็นลูกชายโอ้ลูกชายของเราหนอถึงยังไงก็เป็นลูกในอกของข้าเราทำไมจึงทำเลวถึงขนาดนี้จนหมดห ม, ดมดรดกพระ อ, อินทร์ก็ลงมาจากสวรรค์นิลิ밋 ต, ตัวเองเป็นเหมือนกับพ่อเออลูกชายนี่ก็แว่าหมดทางนะเป็นคนขอทานก็ยกมือไหว้พ่อโ อ, อ้ลูกที่รักของพ่อแท้น่ หัวอกของพ่อไม่ใช่ธรรมดานะถึงลูกจะเป็นยังไงก็ยังเป็นลูกที่รักของพ่อนะีทำไมลูกจึงทำอย่างนี้ลูกเอาเถอะน้าลูกนะต่อไปนีเป็นคนดีนะอย่าทำอย่างนี้นะพ่อจะให้หม่อลูกหนึ่งถ้าหากว่าลูกนะต้องการอยางขัดสนยามไรต้องการอะไรให้ล่วงลวงมือเข้าไปในหม้อนี้ จะได้เงินสามคำทรัพสมบัติมาพ่อจะให้หมอบวิเศษกับลูกนะแต่ลูกต้องเป็นคนดีนะลูกนะลูกที่รักของพ่อนะออพ่อให้เท่านี้ลหละ เ, เดี๋ยวพ่อจะกลับไปแล้วพ่อก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์อีกแต่นายชัยคนนั้นก็พอได้มอแล้วก็เป็นคนดีขึ้นมาพ่อเหตุตัวเองพะตัวเองเคยทุกข์ยากลำบากมาแล้ว เ, เห็นทุกข์เห็นโทษและความทุกข์นะจากนั้นก็เป็นคนดี จากนั้นก็ล่วงมือเข้าไปในหมอ้อได้เงินขึ้นมาได้ทองได้อะไรต้องการซื้ออะไรร่ำรวยขึ้นมาแบบทันท่วงทีอลยอย่างนั้นะรวยขึ้นมาแบบกระทันหันจากนั้นก็พอรวยขึ้นมากับพวกเก่านะ เ, เพราะว่าฐานเก่าใช่ไหมมันติดไฟได้ง่ายใช่ไมพวกฐานเก่ามันติดไฟได้ง่ายพวกเก่านะนะั่นนหะพวกหมูพวกเพื่อนนะเนีอยลงเข้ามาอีกลูกพีอย่างนั้นลูกพีอย่างงี้ พอในสุดเศรษฐีผมก็ลืมตัวอกีกอ่ะกินเหล้าเมายาสุรานาลีสนุกสนานกับเพื่อนเนี่ยพอกินเหล้าเม า, าขึ้นมาแล้วกันคึกสนุกชนิดโยนหม้อขึ้นไปบนฟ้าเท่นี่โยนแ ล, ล้วก็รับโยนแ ล, ล้วก็รับโยนแล้วก็รับสนุกเนี่ยมันคนเมาเนี่ยมันไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่จักไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรพอในสุดหม้อไปนะก็พลัดตกหลุดมือลงมาจนมันรับไม่ทันเพราะมันตาลายใช่คนขี้เหล้าใช่ไหม ตายตกโป๊กลงมาใส่พื้นหม้อแตกท่นี่พอหม้อแตกก็านไม่รู้จะทํำยังไงท่นี่ออพอในสูญก็เลยเอามือล้วงที่ไหนออพอหม้อมันแตกแล้วท่านี่มันกระจายไปหมดแล้วพอในสูญก็เลยจนอีกอย่างเก่านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนโง่คนที่มันเลวถึงจะเลี้ยงยังไงมันก็เลวอย่างเก่าเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะพูดทางนี้ทางนั้นเป็นตัวอย่าง เราต้องฝึกฝนต้องอบรมจิตใจให้เป็นคนดีสรุปแล้วให้คิดดีทดําดีพูดดีถ้าว่าพวกเราทําไม่ดีหเห็นไหมเอเกิดในสมัยนู้นมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ก็ยังเป็นคนเลวอยู่ยังเก่าเป็นวิญญาณเลวเป็นวิญญาณที่ขาดความรับผิดชอบเพราะฉนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะชาดกเนี่ยคือเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้น นิทานหรืชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกิดมาพบใดชาติใดให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่าให้เป็นคนเกเรอย่าให้เป็นคนชั่วอย่างที่ชายหนุ่มคนนั้น น, นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆคนนะที่เป็นวันนี้เป็นวันปีใหม่หลวงพ่อเองก็ขอย้าเตือนให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้สานึกในพระคุณของบิดามารดาที่เลี้ยงดูเรามา แล้วจากนั้นให้เป็นคนดีให้ตั้งตัวได้อย่าไปคนกินเหล้าเมายาอย่างที่ว่าคนที่กินเหล้าเมายาอย่างนั้นอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเราจะจัดเพราะเป็นคนประเภทไหนเราก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่ดีแล้วเราล่ะแต่โดยมากคนอื่นมองมองเห็นคนอื่นว่าคนไม่ดีนะแต่ตัวเองกินเหล้าเข้าไปเนี่ยมันมองไม่เห็นมันทีละน้อยละน้อยพลในสุดก็กลายเป็นคนเลวได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้น จริงไหนก็ตามที่มันไม่ดีแล้วอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าห่างไว้ดีกว่าเหมือนกับยาเสพติดยาเสพติดอย่างยาบ้าอย่างนี้นะและเลยทดลองดน่อสิเราทดลองอยู่หน่อยหนึ่งต่อมาเออเขาถ่ายต่อต่อมาอีกที่แรกเอาแบ่งเป็นสีขาหมาสีขานยะอยามาเถียมาสีขาแบ่งกันสีขาคนละขา ต่อไปเอากินสองขาต่อไปกินทั้งสามขาสี่ขากินหมดทั้งตัวเลยพอกินหมดทั้งตัวนะั่นแหละไม่รู้สึกตัวเลยอกว่าจะรู้ได้เขาเป็นคนจับเข้าคุกเข้าตารางเป็นคนชั่วเสียหายแล้วสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าลองในะสิ่งที่มันไม่ดีถ้าลองเข้าไปแล้วจะเสียหายนะคะ่นะนะักทาย ญ, ญาติโยมลูกหลานนะอวันนี้หลวงพ่อเองให้แนวความคิดจาหรับลูกหลานทั้งหลายนักทา ญ, ญาติโยมทั้งหลายเป็นแนวความคิด แ ล, แล้วก็ปรับปแล้วก็ปรับปรุงกายว่าจาใจของเราให้เป็นคนดีนะต่อเ น, นี้ไปรับพรนะตอนนี้คณะสงฆ์วันนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดถึงสองเกือบสามร้องค์นะที่มาฉันอยู่ในบริเวณแห่งนี้ทั้งหมดมีจุดเจ็ดแปดจุดนะของหลวงพ่อนะี่ยมีเท่านี้แหละแต่จุดอื่นก็มีมากเพราะนั้นคณะสงฆ์ทั้งหลายนะท่านก็ได้รับได้ฉันอาหารของพวกเราท่านจะ พระสงฆ์ทางหลายจะอนุโมทนาให้พรรับพรนาตนาตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติพิจหายตลอดถึงเจ้ากรรมในเวรของพวกเราด้วยนะทำไมจึงอุทิศถึงเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าเราไปทําให้กับเขาเขาจึงจองเวรเราเพราะฉนั้นเออเราลูกแล้วเราได้มาพระพระพุทธศาสนา ได้พบธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่จองเวีนกันอีกแล้วนะเอแปลว่าเจ้ากันแล้วนะเผมให้อภัยนะคุณให้อภัยผมเหมือนกันนะทั้งเขาจะไม่อภัยเราแต่เราให้อภัยเขาเราทำบุตริศสวนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรอย่าให้จองกรรมจองเวีนกันอีกเนะอันนี้ก็เป็นหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะข้าพนัสตาญาติโยมทำบุญทุกทั้งอุทิศสวนกุศล ให้กับดวงวิญญาณอย่างที่หลวงพ่อได้ ก, กล่าวอาต่อนนี้ไปรับพร